หัวข้อทุกขสมุทัยอริยสัจความจริงเกี่ยวกับต้นเหตุทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นชไหนตัณหานี้อันใดมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาี้นั้น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 ย่อมตั้งอยู่ณที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธรรมารมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตั้นหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญในโลก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 จักขูสัมผัสสัชาเวทนาโสตสัมผัสสัชาเวทนาขานะสัมผัสสัชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ยอมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุสัมผัสสัชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดขึ้น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 รูปสันเจตนาสัทธสันเจตนาขันธสันเจตนารสสันเจตนาโพธพสันเจตนาธรรมสันเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้สันเจตนาคือความคิดอ่านในอายตนะภายนอกซึ่งเกิดต่อจากสัญญาทางอายตนะนั้นๆ รูปตันหาสันทตันหาคันทตันหารถตันหาผดภพตันหาธรรมตันหาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดยอมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ยอมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุตันหาคือความทยานอยากเข้ายึดมั่นอายตนะนั้นๆรูปวิตกสัทธวิตกขันทวิตกรถวิตก พธภพวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุวิตกคือความตรึกนึกในอายตนะนั้นๆรูปรวิจารสัท ธ, ว า, ทว า, ว า, ทธาวิจารคันธาวิจารรสวิจารพุทธพวิจารธรรมวิจารเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก ปัญหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุวิจารณ์คือความตรองความแนบใจอยู่กับอายตนะนั้นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ